ภิกษุอยู่ปริวาสลดฐานะเป็นสามเณรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุกำลังอยู่ปริวาทลดฐานะเป็นสามเณรปริวาทของสามเณรใช้ไม่ได้ถ้าภิกษุนั้นอุปสมบทใหม่ให้ปริวาสเดิมนั้นแหละแก่ภิกษุนั้น